เวทนานุปัสสนาดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่อย่างไรเล่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เสวยสุขเวทนาอยู่ก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนาเสวยทุกขเวทนาก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกขเวทนาเสวยอทุกขมะสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าเราเสวยอทุกขมสุขเวทนา สวยสุขเวทนามีอามิตรก็รู้ชัดว่าเราสวยสุขเวทนามีอามิตรหรือสวยสุขเวทนาไม่มีอามิต h ก็รู้ชัดว่าเราสวยสุขเวทนาไม่มีอาิต t เสวยทุกขเวทนามีอามิตรก็รู้ชัดว่าเราสวยทุกขเวทนามีอามิตรหรือสวยทุกขเวทนาไม่มีอามิตรก็รู้ชัดว่าเราสวยทุกขเวทนาไม่มีอามิตร เสวยอทุกขมสุขเวทนามีอามิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยอทุกขมสุขเวทนามีอามิตรหรือเสวยอทุกขมสุขเวทนาไม่มีอามิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยอทุกขมสุขเวทนาไม่มีอามิตรหมายเหตุอทุกขมสุขเวทนาก็คือไม่ทุกข์ไม่สุขหรือเฉยเฉยนั่นเองนะครับดังพันรนามาชะนี้ ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายในบ้างพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายนอกบ้างพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมะคือความเกิดขึ้นในเวทนาบ้างพิจารณาเห็นธรรมะคือความเสื่อมในเวทนาบ้างพิจารณาเห็นธรรมะคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในเวทนาบ้าง เธอย่อมเป็นอยู่อีกอย่างหนึ่งคือเข้าไปตั้งสติว่าเวทนามีก็เพียงสักว่าเอาไวร้รู้เพียงสักว่าเอาไว้อาศัยระลึกเท่านั้นเธอเป็นผู้ไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิเข้าอิงอาศัยและไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายด้วยการปฏิบัติอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่เสมอ จิตตานุปัสนาดูก่อนภิกษุทั้งหลายด้วยการปฏิบัติอย่างไรภิกษุจึงจะพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เสมอได้ภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะเมื่อจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะเมื่อจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะเมื่อจิตปราศจากโทสะ ก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะเมื่อจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะเมื่อจิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะจิตหดหูก็รู้ว่าจิตหดหูเมื่อจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านเมื่อจิตเป็นมหากตะก็รู้ว่าจิตเป็นมหากตะเมื่อจิตไม่เป็นมหากตะก็รู้ว่าจิตไม่เป็นมหากตะ เมื่อ Julia, 네จิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าเมื่อจิตไม่มี จ, จิตอ uh no uh uh uh uh uh uh ื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตเป็นสมาธิเมื่อจิตไม่เป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตไม่เป็นสมาธิเมื่อจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นเมื่อจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นดังพนรนามาชนนี้ ภิกษุย pues mm ่อมเฝ้าพ nah ิจารณาเห็นจิตในจิตภายในบ้างเฝ้าพ the ิจารณาเห็นจิตในจิตภายนอกบ้างเฝ้าพิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างเฝ้าพิจารณาเห็นธรรมะคือความเกิดขึ้นในจิตบ้างเฝ้าพิจารณาเห็นธรรมะคือความเสื่อมในจิตบ้างเฝ้าพิจารณาเห็นธรรมะคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในจิตบ้าง